เป็นทุกข์ด้วยการแบกภาระอยู่ในภพสมมตินะปัญหาทั้งหมดนะถ้าเราเกิดเป็นคนอินเดียเราต้องมารับภาระอินเดียถ้ามาเกิดวันหน้าไหนก็ต้องไปรับภาระในวันนะนั้นใครที่ยังต้องเกิดนะแปลว่าจะต้องเข้าไปรับภาระทุกภาระที่มีอยู่ในลูกถ้ายังตัดปฏิสนธิไม่ได้นะถ้าหากว่าเห็นเขาเดือดร้อนนะถ้าเราไปเกิดในตระกูล น, นั้นเราก็ต้องไปไปเดือดร้อนเหมือนอย่างว่าพ่อแม่ที่ ก่อห น, นี่สินเอาไว้เยอะๆเป็นลักษณะกลุ่มมรดกตกทอดอะไรจะเกิดขึ้นลูกเกิดมาก็ต้องมารับเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าพ่อแม่เป็นทาสนะลูกขึ้นมามนก็ทยอยเป็นทาส ต, ตามไปอย่างนี้เรื่อย ๆ, ๆ, ๆไปดีนะประเทศไทยนี่เลิกทาสไปก่อนไม่งั้นไม่รู้ใครเข้าบั้งกัไม่ทราบออกมานี่ยอาจจะคนหนึ่งก็ได้เป็นกลุ่มทาสเลยแหละหมูสัตว์ถ้ายังต้องเกิดอยู่เนี่ยภาระที่มีอยู่ในโลกปัญหาที่มีอยู่ในโลกเป็นไปได้ที่เราจะต้องรับแบกทั้งหมด ถ้ายังมีวัฏตะอยู่แล้วมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแบกบภาระในภพท่องเที่ยวไปในภพทั้งหลายเหมือนถอนขุนเขาเิเนรุฉะนั้นก็บัดนี้เราปลงภาระแล้วปลงภาระคือปลงขันห้านี่ยปลงขันห้าตังไงก็บินทบาตฉันอยู่ทุกวันบอกว่าปลงขันห้าปลงตรงไหนปลงปฏิสนธิแล้วไม่ได้ปลงตัวนี้เพราะตัวนี้เป็นผลของกรรมเก่าก็ต้องเลี้ยงกันไปจนกว่าจะหาไม่นั่นแหละ แต่ว่าถือเอาใหม่นี้ไม่เอาอีกแล้วกําจัดพบหมายถึงวนะ่ากรรจัดกรรมมพบทั้งหลายได้แล้วถ้ากําจัดกรรมก็เป็นอันกําจัดวิบากด้วยกิจที่ควรทําทุกอย่างในพระาศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าสักยาบุตรเราทําเสร็จแล้วกิจอะไรปริญญากิจก็ทําเสร็จแล้วตหานะกิจก็ทําเสร็จแล้วสัิกาตภกิจก็ทําเสร็จแล้วภาเวตภักกิจภาวนากิจก็ทําเสร็จแล้ว ของเราย้อนกลับมาดูนะอะไรทําบัางแล้วบอกว่าจัดของเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าห้องพักผ่อนได้ทันทีเลยนะอันนี้เสร็จการินยานี่ยังอย่างเงนะก็นคนละ ก, กิจนะเขาบอกว่าไอ้กิจที่ควรรีบเราก็ช้านะไอ้กิจที่ควรช้าโอ้เรารีบจริงๆเลยนะกังมากเลยนะเออแปลกมากนะจริงๆพงศ์บอกว่าเออเรื่องนั้นช้าๆก็ได้ไม่ต้องรีบอะไรมากมายนะสิ่งที่ท่านบอกว่าช้าเราก็เร็วอันไหนที่พองค์บอกว่าควรรําเร็วนะ เราก็อันนั้นก็เ่้อเองผลัดวันอยู่นั่นไหนในกำหนดพุทธเขตเวนพระผู้มีพระภาคเจ้าสักยะบุตรเราเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาไม่มีใครเหมือนเราด้วยปัญญาเนี่ยเราเป็นผู้ฉลาดดีในสมาธิถึงที่สุดแห่งฤทธิ์คือท่านเป็นผู้มีฤทธิ์ก็ผลบุญต้นเหตุใหญ่ที่ทำให้ท่านมีปัญญามากก็เนื่องจากอะไรสาเหตุที่ทาให้ท่านมีปัญญามากคือสัมเสริญปัญญาของ พระพุทธเจ้าก็เลยเป็นปัจจัยเพื่อให้พระองค์มีปัญญาท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งความปรารถนาต้องการจะเป็นคนมีฤทธิ์นะแต่ถึงกระนั้นท่านก็เป็นผู้ที่มีฤทธิ์วันนี้เราปรารถนาจะในรทธิ์คนสักพันคนก็ได้พระมหามุนีทรงเป็นผู้ชํานาญในอนุปปภวิหารธรรมตรัสคําสั่งสอนแก่เรานิโรธเป็นที่นอนของเราเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะพักนะท่านมีนิพพานเป็นอารมณ์ ของเรามีอะไรเป็นอารมณ์มีกรรมนิมิตมีคตินิมิตมีอะไรนิมิตอีกอย่างหนึ่งไหยมีกรรมอารมณ์กรรมนิมิตคตินิมิตเป็นอารมณ์เวลานอนอ่ะนะแต่ของภาษาริบบทนี้มีนิพพานเป็นอารมณ์เวลาพักผ่อนอันนี้ก็ต่างกันเยอะเลยนะของเราก็ล้วนูนอ่ะตอนก่อนตายชาติที่แล้วนะั้นมีอะไรเป็นอารมณ์นะเวลาหลับปั๊บก็ อ, อารมณ์ตัวนั้นอ่ะมันนึกต่อละอันนั้นที่นอนของเราซึ่งต่างจากพระริเจา้าที่นอนของท่านมีนิพพานเป็นอารมณ์ เดียวของเราก็ได้กลับไปสมยผลบุญติดต่อไปท่านก็มีทิปจักสุอันหมดจดเราเป็นผู้ฉลาดในสมาธิมันประกอบในสัมมาประธานยินดีในการเจริญโพชงกิจทุกอย่างที่พระสาวกพึงทำเราทาเสร็จแล้วแลเวนพระโลกกนาตคือพระผู้เป็นที่พึ่งของโลกแล้วไม่มีใครเสมอด้วยเราเราเป็นผู้ฉลาดในสมาบัติได้ฌานและวิโมกเร็วพลัน ยินดีในการเจริญโพชงถึงที่สุดแห่งสาวกคุณเราทั้งหลายมีความเคารพในอุดมบุรุษด้วยการถูกต้องสาวกคุณด้วยปัญญาเครื่องตรัสรู้จิตของเราสงเคราะห์เพื่อนพรหมจารีด้วยศรัทธาทุกเมื่อท่านสงเคราะห์ผู้อื่นนะท่านทําด้วยศรัทธาจริงๆทําด้วยความเลื่อมใสทําด้วยด้วยใจกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลทําด้วยกุศลจิตจริงๆ อันที่จริงกิริยาของพระอหันต์ก็คือกุศลนั่นแหละแต่มันไม่ให้ผลไม่มีวิบากก็เลยเรียกว่ากิริยาก็คือมากุศลญาณสัมปะยุตนั่นเองเรามีมานะและความเขาคือความกระด้างวางเสียแล้วดุดงูถูกถอนเขี้ยวแล้วงูไม่มีเขี้ยวฉันใดพระสารีบุตรก็ฉันนั้นดังโคอุสภะอุสภาราชถูกตัดเขาเสียแล้วโคไม่มีเขาเนี่ยนะ โคเขากุดเนี่ยเดินไปที่ไหนจะไปลาพองอะไรสักอย่างไม่มีเข้าไปหาหมู่คณะด้วยความคารวะหนักเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยเหมือนโง่ไม่มีเขี้ยวเหมือนโคไม่มีเขาเวลาเข้าไปที่ไหนก็ต้องตั้งอยู่ในความเคารพตั้งอยู่ในความสังวรเต็มที่ถ้าปัญญาของเราพึงเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายนี้เป็นผลแห่งการชมเชยพระานของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอนมัตสี เราย่อมยังธรรมจักอันพระผู้มีพระภาคเจ้าสักยบุตรผู้คงที่ให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามโดยชอบธรรมนี้เป็นผลแห่งการชมเชยพยานถ้าใครอยากประกาศธรรมจักได้ดุจภาษาฤาษีบุตรก็ต้องชมเชยพยานของพระพุทธเจ้าบุคคลผู้มีความปรารถนาลามกผู้เกียรตครั้นผู้ละความเพียรผู้มีสุตะน้อยและผู้ไม่มีอาจาระ อย่าได้สมาคมกับเราในที่ไหนสักครั้งเลยอันนี้ความปรารถนาของภาษาริบุตรปรารถนาลามกหมายถึงปรารถนายังไงปรารถนาลามกคือปรารถนากรรมคุณทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าปรารถนาลามกถ้าใครมุ่งกรรมคุณนะขี้เกียจเจริญกุศลให้อากุศลตัวเอาตัวเอาเนี่ยนละ่ะละความเพียรฟังก่อน้อยศีลก่อใหม่ดีอาจารต ทางกายวาจาใจก็ไม่ดีสักอย่างเราบอกโอ้ยอย่าได้เจอกันสักครั้งเลยก็ดีชาตินี้ไม่เจอกันก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะไม่พบกันก็พอแล้วเพียงพอแล้วนะบางอย่างก็บอกเจอครั้งเดียวก็พออีกถ้าไม่เจอได้ยิ่งดีเลยนะอย่างอุบัติเหตุเนี่ยพอเจอสักครั้งหนึ่งไหมเอาไหมโอ้ยยิ่งไม่เจอได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะนี่ก็เหมือนกันนะการเจอคนประเภทดังกล่าวไปเนี่ยยิ่งกว่าประสบอุบัติเหตุที่เสียหายร้ายแรงอีกความเสียหายทั้งมวลเนี่ยเกิดจากการ คบคนปรารถนาลามกเป็นต้นนั่นเองส่วนบุคคลผู้มีสุตะมากมีเมตตาคือปัญญาผู้ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีในศีลทั้งหลายและผู้ประกอบด้วยสมถะทางใจคือใจสงบคือผู้มีศีลดีสมถะงามขอจงตั้งอยู่บนกระหม่อมของเราก็ปรารถนาให้บุคคลเหล่านั้นตั้งอยู่บนศีรษะเราเลยเหตุนั้นเราจึงขอกล่าวกับท่านทั้งหลายอันนี้เป็นโอวาท ก่อนจะไปนิพพานที่นาระกาคามเนี่ยท่านบอกลูกศิษย์ของท่านว่าเราขอกล่าวกับท่านทั้งหลายขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้มาประชุมกันในสมาคมนี้ท่านทั้งหลายจงมีความปรารถนาน้อยให้ตั้งอยู่ในความมักน้อยมักน้อยกี่อย่างหนึ่งมักน้อยในปัจจัยสี่มักน้อยในปริยัตมักน้อยในทุดงมักน้อยในอธิคมคือปฏิเวทมักน้อยในปริยัตก็คือเรียนแต่น้อยก็พอใช่ไหม มากน้อยนี่เขาบอกว่าปรารถนาแต่น้อยใช่ไหมตัดใจสี่นี่ยเอาแต่น้อยๆยก็พอก็มักน้อยในปริยัติเราก็ต้องเรียนแต่น้อยๆใช่ไหมไม่ใช่เรียนมากแล้วไม่อวดตัวนั่นแหละเลครียกว่ามากน้อยเรียกว่าไม่อยากอวดโตวย่างนั้นนะนะไม่อยากออกโตนั่นแหละก็คือเก็บตัวเงียบเลยนะรู้เยอะแต่เงียบเรียกว่ามักน้อยในปริยัติแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะเวียนิ่งแล้วก็ลืมหมดแล้วนะที่ไม่พูดออกมาเพราะมันทําอะไรไม่ได้เนะนะั่นไม่ใช่อย่างนั้นนะ <S <S ไอ้นั้นไม่เรียกมักน้อย นนเหมือนว่ามีภูมิเหมือนนะแต่ว่าก็ที่ไหนได้กา ม, มาประจ ol ภูมิตามเดิมนั่นแหละถ้าอย่างนี้ก็อย่างว่านะใน ม, มีประโยชน์สักเท่าไหร่แล้วก็เช่นมักน้อยในทุดงก็คือไม่ต้องรักษาทุดงไม่ใช่นะแปลว่ารักษาทุดงแล้วก็ไม่เล่าบอกใครมักน้อยในมักผลก็คือไม่เอามักผลเนี่ยมาเปิดเผยให้ผู้ใดรู้สันโดก็สันโดสามอย่างในปัจจัยสี่ให้ทานทุกเมื่ออย่าลืมให้ทานด้วยนะ คือหนึ่งมักน้อยสันโดษแล้วก็ให้ทานทุกเมื่อมีปกติให้ทานเราเป็นผู้ปราศจากทุลีปราศจากมนทินเพราะเห็นท่านพระสิชิกรท่านสาวกพระนามวัชชินั้นเป็นอาจารย์ของเราเป็นนักปราชญ์เราเป็นสาวกของท่านในวันนี้วันนี้เราเป็นพระธรรมเสนาบดีถึงที่สุดในที่ทุกแห่งเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ท่านพระสาวกพระนามวัชชิ เป็นอาจารย์ของเราย่อมอยู่ในทิศใดเราย่อมทําท่านเอาไว้เหนือศีรษะในทิศนั้นแปลว่าท้าทายอยู่ทิศใดท่านก็หันศีรษะไปทางทิศนั้นพระโคโดมสักยบุตรพุทธเจ้าทรงระลึกถึงตรรมของเราประทับนั่งในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์ตั้งเราไว้ในตําแหน่งเอทะทะัะคะอันเลิศเราเผากิเลสทั้งหลายได้แล้วสวดว่าคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นวิชาสาม ปฏิสัมพิทาสีอภิญยาหกวิโมกข์แปดคุณธรรมทั้งมวลเนี่ยท่านก็ได้คุณธรรมเหล่านั้นทั้งหมดกิจในพระพุทธศาสนาท่านก็ทำเสร็จท่านเป็นผู้ที่ทำที่สุดแห่งวัตถุกข์ได้นี่ก็เป็นข้อความในสาริปุตตะเทระประธานที่อัตตกะถาเทระกฐายกมาก็เพียงเท่านี้ส่วนผู้ใดมีอะไรจะมาสนทนากันต่อก็ได้นี่นะเชิพาน เรียนถ ร, รมอาจารย์นะครับเมื่อวานท่านพูดถึงเรื่องของวิตกที่ถึกไปในธรรมะนี่นะครับสําหรับมรคมองแปดเนี่ยวิตกก็จะเป็นองค์มรคด้วยองค์หนึ่งแต่ว่าก่อนที่จะมีการเถิดหรือว่าธรรมปริญญาเนี่ยก็จะต้องมีสมมธิทิขั้นการฟังก่อนซึ่งสมมติทิอันนี้ไม่ใช่เป็นสมมติทีในองค์มรค ก, ก็เป็นในมรคปัจจัยมันไม่ใช่ ขณะอริยมรรคอะไรถ้ากล่าวไปเนี่ยนะอย่างเช่นถ้าเอาเอาวิชชาสูตรตัณหาสูตรมาตั้งเห็นชัดเลยว่าเมื่อมีศรัทธาก็เข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาก็นั่งใกล้ก็คือการคบสัตว์ปุโรฒเมื่อนั่งใกล้ก็เงียโสดลงฟังแล้วก็ทรงจําธรรมะเอาไว้ได้การฟังธรรมที่บริบูรณ์ทรงจำธรรมไม่ได้บริบูรณ์ผู้ที่ทรงจําไม่ได้เข้าใจธรรมอย่างบริบูรณ์พวกนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาอยู่แล้ว สูตตามายปัญญาก็ดีผันผู้ที่มีการฟังอย่างนี้ก็จะมีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาที่บริบูรณ์ก็อย่าโยนิโสมนัสิการ์ผันเรียงเทอด ก, การเอาพระธรรมมาตรึกมาเพ่งก็คือเรียกว่าโยนิโสมนัสิการนั่นเองซึ่งขั้นตอนทุกขั้นตามอาวิชชาสูตรตันหาสูตรเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ใช้ปัญญาทั้งหมดเลยทุกขณะยาณสัมปยุตหมดแม้กระทั่งที่เรียกว่าตรึกพระธรรมตรึกธรรมะตรึกด้วยยานสัมปยุต เพราะหนึ่งการตรึกนั้นต้องไม่ใช่กรรมวิตกตึกพระธรรมเนี่ยนะใครก็บอกคิดเอาหรือบอกใช่คุณคิดได้เวลาปัญหามันคุณคิดไม่ได้อีกมันคิดไม่ออกอีกนั่นแหละเพราะอะไรเพราะไม่มีปัญญาประกอบการตรึกธรรมะที่เรียกว่าสัมมาสังกะปะหนึ่งเนื่อนไขเขามีนะหนึ่งต้องไม่ใช่การมวิตกสองไม่ใช่พยาบาทวิตกสามไม่ใช่วิหิงสาวิตกแล้วคุณเอาเรื่องนั้นมาคิดดูสิคิดว่ายังไงเอานะ มีข้อแม้แล้วบอกว่าห้ามเป็นอกุศลวิตกสมมติถ้าจะคิดถึงคุณไทรทูลเนี่ยคิดได้เลยหนึ่งแต่คุณต้องห้ามคิดเป็นกามรรตกนะห้ามพยาบาทวิตกห้ามมิหิงสาวิตกแต่คุณจงคิดถึงคุณไทรทูลเราจะคิดว่าอย่างไงมมก็เช่นเนคขมวิตกเช่นเกสาโลมานาคาทันตาตะโจเป็นต้นใช่ไหมก็มีเรื่องเ ก, กงนะิดเดินนะโดยก็ อ, อาคุณไทรทูลมีความสุขมีอายุยืนนะไม่ต้องมีเวร ขอให้ได้เจริญบุญเจริญกุศลไหว้สังเวชนียสถานก็แต่ละแห่งก็ทําด้วยปีติโสมนัตญาณสัมปยุทธ์วันหลังก็ระลึกถึงบุญเหล่านี้ด้วยความปราบปลื้มใจกันเนิ่กไปอย่างนี้ก็เป็นเมตตาใช่ไหมเขาที่ยังต้องเที่ยวไปในวัดตากเขาก็น่าเห็นใจนะเขาก็ต้องบริโภคอาหารวันละสามมื้ออาบน้ําวันละสองรอบแปรงฟันวันละสองรอบจะต้องบริหารมหาพูดภายในเขาต้องไปดูแลบริหารมหาพูดภายนอกอกีก ก็เดือดร้อนเนี่ยนะโรคภัยภายในต้องดูแลร่างกายดูแลสุขภาพบางครั้งเนี่ยอกุศลนิบบากให้ผลก็ต้องลำบากกายลำบากใจเป็นต้นนี่ก็ว่าไปว่เาเป็นการเจริญกรุณาใช่ไหมหรือถ้าแบบสูงสุดเลยก็บอกนี้ทุกอย่างนี้ก็ได้นะตรอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละจึงเป็นการตรึกที่ไม่เจือด้วยอภิชากับโทมานต์ไม่เป็นกาลมวิตกพยาบาทวิตกและวิเหงสาวิตก บางคนนี่ก็บอกว่าถ้าเข้าใจไม่ถูกเนี่ยนึกว่าการตรึกเนี่ยเป็นของที่ทำง่ายจริงๆแล้ววิตักกะที่สัมปยุทธ์ด้วยสติและสะัมปัญญาเพราะว่าเงื่อนไขก็คือห้ามเป็นอกอุศลคราวนี้การตรึกกับการสาธยายในใจนี่จะต่างกันไงครับก็สาธยายในใจก็กลับการตามเพ่งด้วยใจนี่ก็คืออันเดียวกันนั่นเอง อย่างเราจำพุทธพจน์ได้เราก็มาสาธยายหรือว่ามานั่งตึกตามในใจนะครับซึ่งความจำส่วนนั้นก็เป็นไปเนื่องกับวิตกเนี่ยขณะนี้สัมมาทิฏิเนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีปัจจัยอาศัยอะไรที่จะทำให้สัมมาทิธิหรือปัญญาเกิดขึ้นเห็นตามนั้นจริงๆก็อาศัยโยนิโสมนสิกาอาศัยการตั้งอัตตสัมมาปณิธิที่ตั้งไว้ก่อนว่าอย่างเช่นเราสาธยาย สายทายโดยคิดแต่ในใจเฉยๆในสูตรนั้นๆนเนี่ยเราตั้งอัตตะสัมมาปณิทิว่าอย่างไงในการตรึกพระสูตรนั้นอย่างเช่นสมมติเอาแบบที่เราคุ้นเคยฟังกันบ่อยๆนะฮะโลกันนี่โรทศูตรรู้อยู่แล้วใช่ไหมอาศัยจากขูกับรูปเกิดจากขูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชมกันเป็นภาษะเป็นต้นเนี่ยเราก็ว่าอย่างงี้เห็นเทียนนี่ก็ว่าอย่างนี้อาศัยจากขู่กับพรูปเกิดจากขูวิญญาณเนี่ยการตรึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องอัตตะสัมมาปณิทิที่ตั้งไว้เนี่ยตั้งไว้ว่าอย่างไง แค่ที่จะตรึกแค่นี้ได้หรือหรือว่าเมื่อตรึกแล้วจะต้องมีอะไรงอกเงยต่อไปอัตตาสัมมาปณิทิตั้งไว้อย่างไงแล้วโยนิโสตามความเป็นจริงตามที่ควรจะเป็นไหมคือการตั้งอัตตาสัมมาปณิทินี่แหละสาคัญว่าเวลาเขาตึกเนี่ยความตั้งใจเขามีสูงแค่ไหนแล้วเขาตึกเนี่ยเพียงแค่ตึกเพื่อฆ่าเวลาหรือตรึกทําไมเพราะบางคนเนี่ยหมายความว่ามันว่างๆอะนะเวลาอีกตั้งครึ่งชั่วโมง ตึกอันนี้ไปพลางๆก่อนดีกว่าเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วอย่างเงี้ยนะเขาบางคนนี่ตึกข้าวเวลาใช่ไหมก็แสดงว่าความตั้งใจที่จะเห็นสิ่งนั้นจริงๆก็ไม่มากนะักเพียงแต่ว่าตึกข้าวเวลาเฉยๆก็อยู่ที่อัธยาศาาัยท้าสกะถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าสมณพาหมเหล่านั้นทั้งหมดมีความสําเร็จร่วงส่วนกันทุกคนหรือไม่ไม่ใครที่น้อมไปเพื่อพระนิพพานเนี่ย ท่านเหล่านั้นนี่แหละจะสําเร็จล่วงส่วนใช้ยผู้ที่ไม่น้อมไปเพื่อแทงตลอดพระนิพพานพวกนั้นไม่สําเร็จล่วงส่วนแต่ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าสัตว์โลกนี้มีธาตุเป็นอนเนกมีธาตุเป็นอันมากคือมีแนวโน้มมีอัธยาศัยที่แตกต่างกันท่านก็อยู่ที่ว่าความตั้งใจจริงๆของเขาเนี่คืออะไรอย่างผู้ที่ตรึกพระธรรมเนี่ยนะถ้าว่าให้ตรงๆเนี่ยเขาควรตั้งว่าการตรึกพระธรรมเหล่านี้เนี่ย เป็นมรรคหนึ่งในองค์มรรคแที่เรียกว่าเจริญสัมมาสังกัปปะอาศัยวิเวกอาศัยวิรา่ะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสลักเพรน้อมไปเพื่อการตรัสรวอริยสัจจริงๆการพิจรารณาการตรึกพระธรรมเนี่ยก็ต้องตั้งอัธยาศัยเพื่อเห็นแจ้งในอริยสัจ ท, ทั้งหลายแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็อย่างว่าก็คือเป็นการตรึกฆ่าเวลาหรือตึกเพื่อความสบายใจ เรียกว่าเออเนี่ยไม่เครียดไม่เงาพอละพอใจละเหมือนอย่างหลายๆคนที่มาเจริญอานาปานสติมันอยู่ที่ความตั้งใจเดิมของเขาว่าเขาเจริญอนาปานสติยังไงบางคนเพียงแต่ว่าเออเนี่ยเจริญให้สบายสบายใจก็พอบางคนเนี่ยเจริญให้มันหลับง่ายดีก็เลยเจริญแต่ด้วยเหตุผลที่ตั้งไว้แตกต่างกันนั่นเองเหมือนกับว่าตอนที่กําลังตรึกนี้จะต้องมีการเพ่งอีก อีกชั้นหนึ่งที่จะรู้อัฏฐะของเนื้อหาของธรรมะที่ตรึกนั้นคือการตรึกนั้นการตรึกที่ดีจริงนั้นต้องมีสิ่งที่ตรึกนั้นเป็นอารมณ์คืออย่างสมมตินะตรึกถึงอาจารย์สันติอย่างไงนึกถึงอะอาจารย์สันตินะแกไปนะนึกหน้าก็ น, นึกไม่ออกนึกกิริยาท่าทางก็นึกไม่ออกแต่คิดเรื่องอาจารย์สันตินี่ถามมันจะเป็นไงมันก็ได้แต่ชื่อได้แต่เรื่องราวที่เป็นไปโดยที่ไม่มีวัตถุรองรับ การตรึกธรรมะที่ดีเนี่ยนะที่สมบูรณ์จริงเนี่ยต้องมีวัตถุรองรับอย่างเช่นเมื่อตรึกาอาศัยจักขู่ก็นึกถึงมนุิการที่จักขู่ใช่ไหมตัดรูปก็มนุิการที่รูปเกิดจากขูวิญญาณก็มนุิการที่จักขูวิญญาณการตรึกพวกนี้ไม่ใช่วิ่งให้ทันปัจจุบันว่าจะต้องให้ทันนะถามว่าถ้าทำแล้วนะ ใ, ใครมาตรึกและใครมาเห็นนะกันเนี่ย สมมติว่าเนี่ยต้องตึกให้ทันเนี่ยจักขู่กับสีเนี่ยจกักขูวิญญาณภาษาเวทนาเนี่ยทําให้ทันพวกนี้นะถ้าทําอย่างนี้จริงเครียดตายเพราะไม่มีใครทําอย่างนั้นได้ขณะจกักขูวิญญาณเกิดการมโนสิการว่าเป็นรู ป, ปรธรรมเป็นต้นเนี่ยมีไหมชาวนาในจกักขูทวารวิถีไม่ได้ทํากิจเหล่านี้แม้แต่น้อยเดียวเป็นสุทธามโนทวารวิถีที่เข้ามาวิจัยถึงการเห็นเนี่ยว่ามีองค์ประกอบองค์ประชุมเท่าไหร่ การวิจัยตัวนี้เนี่ยที่พระองค์ตรัสว่าอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วรู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ว่าอะไรเป็นไปอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องของผู้ที่มีการฟังธรรมมาแล้วเข้ามาตรึกกันอย่างเช่นว่ามองเห็นเสาเหมือนกันเนี่ยคนที่มีธรรมะแล้วเขาคิดยังไงแต่เมื่อเราคิดตามโลกรันนี้โลทัศน์นะก็เห็นเสาเหมือนกันถ้าคนที่ไม่ได้เรียนธรรมะมาเนี่ยก็เห็นเสาอะ่ะก็อยู่เท่านั้นเอง ผลการตรึกที่ดีที่ถูกต้องนั้นควรมีสิ่งที่ตรึกเนี่ยรองรับสมัยแรกๆที่ตรึกก็คือตรึกธรรมะสองร้อยหนึ่งพอมาฝึกตึกตา ย, ยิ่งเครียดเลยนะยิ่งตรึกยิ่งเครียดที่เครียดแค่ออไรเพราะเราจําแต่ชื่อกับตัวเลขมันก็เลยเครียดมากเลยนะก็เลยฟุง้งพอฟุ้งตัด บ, บอกไม่ใช่ตรึกอย่างนี้ไม่ใช่ก็เลยเอาใหม่ก็พยายามมาตรึกโดยที่ต้องมีสิ่งที่เราตรึกถึงเนี่ยมีมีสภาวะเหล่านั้นรองรับด้วย แต่ถ้าเสียงสภาวะไม่ได้ก็ตรึกให้มันชํานาญไปก่อนเพราะถ้าอาศัยความชํานาญเนี่ยจะทําให้เราเพ่งในสิ่งนั้นได้เรื่องต้นเนี่ยบางคนเนี่ยสูตรมันจําไม่แม่นใช่ไหมมัวแต่ไปใส่ใจในเนื้อหาลืมสูตรอีกไม่รู้สูตรไปยังไงแล้วเพราะฉะนั้นเบื้องแรกก็ทําให้ชํานาญในถ้าสูตรนั้นก่อนกระว่าสั่งสมทิฏฐิให้คล่องปากขึ้นใจในสูตรนั้นถ้าคล่องปากขึ้นใจมีความชํานาญในสูตรนั้นเพียงพอแล้ว ก็เอามาเพ่งไปในชีวิตที่เป็นจริงเคยดูรายการทีวีอยู่ราการหนึ่งนะที่เขาเอานักบินเนี่ยมามากล่าวถึงว่าการบินของนักบินนี่เป็นยังไงซ้อมเนี่ด้วยการขึ้นขับโบอิงเลยนะไม่ใช่เขาจําลองอะไรในห้องเนี่ยซึ่งเหมือนกับอยู่บนเครื่องบินเหมือนขับเครื่องบินจริงๆเลยนะจนชํานาญจริงๆแล้วนะแล้วก็ไปเป็นลูกมืออยู่ตั้งนานกว่าจะได้ขับเองจริงๆนะีนอนมากเลยนะอย่างประเทศไทยนี่มาตรฐานสักสิบปีได้ จึงจะเป็นหัวหน้านำบินจะต้องติดตามเป็นลูกมือให้อยู่เป็นเกือบสิบ ป, ปีอ่ะนะนานมากเลยกว่าจะได้เป็นนักบินเองจริงๆนี่ก็ลักษณะดเดียวกันผู้ที่ตึกพระธรรมนั้นก็ต้องตึกจนชํานาญในตัวเนื้อหาในตัวสูตรในตัวหลักการตรงนี้แหละที่สําคัญมากทีนี้ถ้าหากว่าเรียนหลักการมาไม่ค่อยดีอย่างอริยสัจเรียนมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถ้าเรามาคิดอริยสัจมันจะคิดได้ยังไงต่อไปมันคิดไม่ค่อยออกอยู่แล้ว แล้วก็การตึกพระธรรมเนี่ยไม่ใช่เน้นอารมณ์ปัจจุบันการสามใช่ไหมเพราะทุกขศย์นี้เป็นเตกาลิกะเป็นไปในการสาม ท, ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอย่างแม้กระทั่งยายว่าระดับสูงเลยเจริญมรรนานุสตินี้ต้องมีอารมณ์ปัจจุบันไหมทํามองไขปั๊บจุติเลยเนี่ยสงสัย ค, คิดไม่ได้เลยนะเพราะพวกเราสมมติจนะเจริญมรรนานุสติแล้วมีอารมณ์ปัจจุบันนีย่ยุ่งมากเลยนะคิดถึงพ่อพ่อกับจุติเข้าอย่างนี้นะด่วดรับมันแน่ มารนานุสติอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่สอนให้เจริญแน่เพราะเขาคิดถึงอะไรนะพวกนี้เป็นการพิจารณาชีวิตโดยรอบคนที่จะสาธยายหรือตรึกทั้งหลักการก็แม่นมีสภาวะรองรับได้ความชำนาญตัวนี้อีกเร่วงใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเลยที่ไม่ได้ง่ายกว่าเรียนธรรมะให้เข้าใจในตอนแรกสักเท่าไหร่แต่ว่าการเจริญธรรมะเหล่านี้ได้นะถ้าใครทาเป็นนี่มีรางวัลให้ มีปีติตราโมทเป็นรางวัลทําแล้วสบายใจอย่างที่คล้ายๆคุณกันตาว่าวันนี้นะซึ่งไม่ใช่ตอนนี้นะเมื่อกลางวันนะตอนนี้ก็ดูท่าเป็นทีแล้วคอพับคอเอียงเหมือนนะเดี๋ยวก็เลิกแล้วคุณกันตาจะคิดอะไรมากคือผู้ที่ตรึกเพ่งพิจารณาอะไรจริงๆแล้วนะจริงๆแล้วมีความสุขถ้าไม่ตรึกส่เดือดร้อนแหละคนที่ตรึกธรรมะได้ดีนะแล้วก็ตรึกบ่อยๆเนี่ยถ้าไม่ได้ตรึกนะพวกนี้จะเริ่มเหมือนกับคน ติดอาหารที่มันอร่อยๆเนี่ยนะแล้วก็ต้องไปกินผืกกินมันอยู่ทุกวันเนี่ยที่ไรรสชาติไปกินอาหารบูดๆเน่าๆทุกวันเนี่ยมันเบื่อจริงๆนะมันอย่าไปกินอาหารที่เคยทานที่อร่อยๆ อ, อ, อย่างนั้นนี่ก็ลักษณะเดียวกันผู้ที่ตึกธรรมะจริงแล้วเนี่ยมีความสุขถ้าไม่ตรึกนี่จะเริ่มเดือดร้อนลนะถ้าเข้าใจดีนะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถ้าปฏิบัติถูกยิ่งปฏิบัติมีความสุขถ้าไม่ปฏิบัติเดือดร้อน ต่างจากธรรมะของเดรัทีถ้าของเดรัทีนะยิ่งทายิ่งเครียดยิ่งทายิ่งทุกยิ่งทามากเท่าไหร่ทุกเท่านั้นถ้าไม่ทาแล้วสบายแต่ของพระพุทธเจ้านั้นถ้าไม่ทำแล้วเดือดร้อนถ้าทาแล้วมีความสุขอันนี้คือเครื่องวัดแบบง่าย แต่การสาธยายกับการตรึกนี่ดูจะต่างกันมากบางทีเราเราสาธยายคล่องแล้วเราเอาแต่ลักคามาตรึกนี่นะฮะคล้ายๆมันมันมีเป้าหมายที่จะตรึกเนี่ยคล้ายๆมันมีเป้าหมายน ะ, ะนยยยนเนะะช่นเป้าหมายว่ามันไม่เที่ยงยังไงบ้างถ้าตรึกไปเรงเรื่องนี้ทุกนี่นะฮะเพราะมีคํานี้มีเยอะมันทุกยังไงเนี่ยนะมันทุกจริงไหมเนี่ยนะครับมันแค่ข้ามเป็นเขาเป็นวิจัยใน ในเนื้อหาในนั้นว่ามันเป็นอย่างไรอย่างสมมติว่าถ้าเราจะตึกไปในโลกาณิโรทสูตรนะเช่นฝ่ายรูปนะฮะจกักขูและรูปเนี่ยนะครับทําให้เกิดจักขูวิญญาณเนี่ยนะครับถ้าเราตึกนี่นะถ้าเรามีวัตถุประสงค์ว่าเราอยากจะรู้ว่ามันไม่มีสักกายะอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะมันเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยนะในจักขูวิญญาณเนี่ยนะมันจะตึกขนบนเวียนมันอยู่ตรงนั้นน่ะ ตึกวนเวียนหาวิจัยหาสาเหตุมันหาวิเคราะห์มันมาตัวจัจจใจอย่างละเอียดแล้วออผมว่าอย่างอย่างอาจารย์สันตินี่โอ้โหงว่าสบายมาเพราะว่าปริญัติก็ดีเยี่ยมเลยเนี้ยนะแล้วก็ปริยัตินี่สําคัญนะฮะหลักการแล้วก็รู้หมดแล้วเนี่ยนะถ้าตึกน่าจะไปไกลโคอยแต่ว่าสําคัญคือว่ามันตึกไม่ได้นานเนี่ยครับมันแปลกนะครับมันตึกไม่ได้นานนะ การตรึกพระธรรมนั้นควรจะเอาทั้งสองอย่างทั้งโดยอัฏฐะและโดยพยัญชนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้พยัญชนะคล่องแคล่วไว้ก่อนเนี่ยเพราะว่าพยัญชนะนี่เป็นโครงสร้างใช่ไหมเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะเป็นพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจริงๆอยู่ที่ตัวปริยัตนะสําหรับเรากับพระาศาสนานะเรากับพระาศาสนาเกี่ยวข้องกันตรงไหนเกี่ยวข้องตรงปริยัตเท่านั้นเองถ้าเรามีปริยัตมากเท่าไหร่เราก็มีพระพุทธศาสนาเท่านั้น ถ้าเรามีอย่างนี้เมื่อไร่แล้วเราปฏิบัติศาสนาของเราเนี่ยมีแค่ไหนที่จะเห็นดังที่ปริยัติก่าวเอาไว้การตรึกคือการเพ่งวิจัยบางพวกนี้วิจัยมุ่งแต่โดยอัฏ ฐ, ฐกับโดยพยัญชนะพวกที่เน้นพยัญชนะอย่างเดียวก็มุ่งไปสู่พยัญชนะอย่างเดียวผู้ที่เน้นอัฏ ฐ, ฐก็เน้นไปที่อัฏ ฐ, ฐแต่จริงๆแล้วควรเอาทั้งสองประการเพราะว่าพระธรรมที่พงแสดงนั้นเป็น สว่าขาแตรทำใช่ไหมแสดงไว้ดีแล้วเมื่อแสดงไว้ดีแล้วเนี่ยนะก็ถือโอนตามพระปริยัตเป็นหลักไม่ใช่โอนตามความตึกของเราเป็นหลักคือผู้ที่ศึกษาธรรมะแล้วเป็นนักตรึกถ้าข้อมูลไม่ดีเนี่ยระยะยาวมันจะเริ่มเป๊ขึ้นเพราะความเห็นของตัวเองจะเข้าไปแทรกทุกเรื่องคนที่ตึกธรรมะถ้าพี่เลี้ยงไม่ค่อยดีต้องเป็นคนนักแม่นสูตรมากๆเลยเพราะความคิดทุกความคิดของตัวเองนะต้องมีสูตรรองรับ ตรวจสอบได้หมดเลยทุกความคิดของตัวเองที่คิดคุณคิดอะไรก็ได้ต้องตรวจสอบกับพระธรรมให้หมดว่าที่คิดแบบนี้เข้ากับพระธรรมสูตรใดบ้างแล้วขัดกับพระธรรมอะไรบ้างถ้าอนุวัตโดยส่วนเดียวก็แสดงว่าใช้ได้แต่ถ้าเพ่งไปไม่เลยก็ต้องสอบสวนด้วยสอบสวนตัวความคิดว่าเกิดจากปัจจัยเหล่าใดด้วยแล้วความคิดที่เราคิดเนี่ยเป็นไปตามคาสอนหรือไม่วั น, นี้ต้องตรวจสอบตัวเองค่อนข้างสูงมาก ถ้าเรียกว่าลักษณะพวกเอกีภาพพวกหัวเดียวกระเทียมรีบทั้งหลายเนี่ยลักษณะนั้นจะต้องเป็นนักตรวจสอบตัวเองที่สูงมากๆเลยถ้าข้อมูลไม่ดีเป็นนักวิจัยไม่แม่นยำพอเริ่มระดับหนึ่งแล้วเริ่มเป๋พอเป๋มากๆขึ้นเนี่ยนะเริ่มมีความเห็นไม่สอดคล้องกับคําสอนก่อนความคิดของตัวเองแล้วตอนหลังมาก็จะเริ่มเบียดบังคําสอนจะเริ่มปฏิเสธคําสอนในบางส่วน หนักๆเข้าก็เลยบอกว่าปริยัติอย่างหนึ่งปฏิบัติก็อย่างหนึ่งในที่สุดก็ปฏิเสธปริยัตโดยสิ้นเชิงในที่สุดก็ตัวเองนี้นอกศาสนาแล้วแต่ว่าอยู่ในคราบของศาสนาตรงนี้แหละที่เสียหายมากๆเลยซึ่งความเสียหายเหล่านี้เนี่ยแรกๆเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาจริงๆก็มองไม่ค่อยเห็นถ้าข้อมูลไม่ดีเพียงพอความเข้าใจผิดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนี้ถ้าไม่ส้ำเนียกหรือไม่ตั้งสิก ข, ขาเอาไว้ดีๆเนี่ย ยากนะที่จะรู้จริงๆว่าฉันคิดเนี่ยผิดหรือถูกถ้าไม่มีสูตรมาตรวจสอบความคิดตัวเองจริงๆแล้วยากมากในยุคนี้เนี่ยนะเราแต่ละคนเนี่ยถ้ามองในแง่นี้ทุกคนน่ากรุณาเหมือนกันหมดเลยน่ากรุณาในส่วนตรงนี้เพราะว่าหนึ่งเราเราไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคอยเช็คให้เราถ้าไปที่เมืองพารณสีสิ่งที่เราควรตรึกว่าพระพุทธเจ้าสอนปกินกะเทศนาแก่ทิกสุสี่รูปเนี่ยท่านสอนอะไร วันแรกเนี่ยพระอนยากรธัญญ า, าบรลลูชัยวันที่สองพระวัปปะวันที่สามพัทิยะวันที่สี่มหานามะวันที่ห้าคือพระอัสเชิทั้งห้าท่านเนี่ยระหว่างนั้นอ่ะพระพุทธเจ้าสอนอะไรเคยพบบางแห่งกล่าวว่าพระพุทธเจ้ามาเมื่อท่านเหล่านั้นตรึกผิดพอท่านคิดผิดบั๊บบั๊บมาเลยบอกเี่คิดอย่างนั้นมันไม่ถูกนะต้องคิดอย่างนี้แล้วก็แต่คิดต่อไปแล้วก็คิดไปอย่างนี้เรื่อยๆพอผิดอีกมาละ บอกว่านี้คิดผิดนะหรือเห็นอีกในหนึ่งนะไปดูในโมคคลานะสังยุตที่พระโมคคลานะเจริญกรรมาฐานเรื่องปฐมมชามเนี่ยไม่ใช่พระโมคคลานะไปคิดเอาเองนะไม่ใช่โมคขลานะเจริญปั๊บเนี่ยเดี๋ยวพองษ์ก็มาบอกแล้โมคขลานะนี้เสื่อมนะนี้ตั้งอยู่นะ น, นะ น, นี้เจริญนะนี้นิเพทานะพองษ์ช้อนหมดเลยนะแนะนําทุกเรื่องแม้กระทั่งวิปัสนาแต่มาแป๊บเดียวคือไม่ได้มาเทศเป็นการอะไรมาบอกว่านี้ไม่ใช่ อันนี้นอกทางแล้วนะอันนี้ต้องแนวนี้สิจะบอกทีแล้วไม่กี่ประโยคก็เสด็จกลับไปลักษณะนั้นซึ่งพระโมคคัลลานะจึงบรรลูสีหาะเปล่งว่าผู้ที่ได้รับการอุปการะเนี่ยคือท่านแหละที่ได้รับอุปการะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านพระโมคคัลลานะเป็นเหมือนบุตรของพระ อ, องค์จริงๆพระโมคคัลลานะเนี่ยได้รับการแนะนําเกือบทุกความคิดสมัยพุทธกาล ร, รุ่นแรกๆจริงๆแล้วเนี่ย เป็นพระภิกษุกลุ่มนั้นซะส่วนใหญ่ที่ได้รับแนะนําพอคิดอกุศลนิดหน่อยเนี่ยพองมาแล้วเข้าใจผิดนิดเดียวพองก็เสด็จมาแล้วสมัยนั้นเข้าเป็นอย่างนั้นพอมาสมัยนี้เนี่ยมันอกุศลครึ่งวันอย่างเงี้นะไม่รู้จะมาแนะนําตอนไหนบ้างเนะก็ดูถ้าจะยุ่ยงเหมือนกันนะถ้าเครียดอยู่ครึ่งวันเลยนะพองไม่รู้จะมาแนะนํำยังไงนะแสดวงว่าพอมาตรวจคนเดียวก็พอแล้วไม่ต้องไปทำอย่างอื่นนั่นนะ มันเหมือนกับอาการชักทุกๆสองนาทีเนี่ยนะพยาบาลไม่ต้องไปหาคนไข้ารายอื่นนะดูแลอยู่เจ้าเดียวนี่เลย嘛งั้นพอยุคนี้เนี่ยนะยุคคนไข้อนาถาทั้งหลายเนี่ยเหลือแต่ตำรับยานี่ก็อ่านเอากันแล้วกันบริโภคกันะ